ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องหวังโดยไม่ต้องหวังโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่เก้ามีนาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ในที่นี้มีผู้ถามมาว่าจะปรับอย่างไรไม่บอกนะกจะปรับอะไรนะแต่บอกว่าจะปรับอย่างไรเมื่อต้องผิดหวังกับคนอื่นเพราะเห็นว่าเขาดีเมื่อเขาบกพร่องอย่างเราคาดไม่ถึงเราค้ายอกหกกักอกพังเป็นจิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเพราะเราไม่แข็งแรงใช่ไหมแล้วจะทำอย่างไร จริงๆก็ตอบเองบ้างแล้วนะในคำถามอันนี้อาตมาเคยคุยกับบางคนนะให้เขาฟังเรื่องของความเนี่ยแหละคือคนเราเนี่ยจะผิดหวังเพราะว่าไปคาดหวังเอาไว้ถ้าเราไม่คาดหวังอะไรเนี่ยกับใครหรือแม้แต่กับภ า, าระหน้าที่การงานใดๆ ถ้าคุณไม่มีการคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่คุณไม่ค่อยมีประสบอะไรที่จะต้องมาผิดหวังหรอกเพราะเราพูดแต่ในมุมผิดหวังเพราะว่าถ้าสมหวังหรือว่าได้เป็นเป็นไปดั่งใจเราไม่ได้มาเศร้าโศกอยู่แล้วถูกไหมว่ามันก็เลยพูดแต่งแง่ของความผิดหวังก็พอเคยพูดให้พวกเราฟั ง, ฟงบ่อย ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนท่านสอนเนี่ยแหละสอนทางภิกษุสอนผู้ปฏิบัติต่างๆว่าความหวังเนี่ยถ้าเราเกิดไปมีความหวังอะไรขึ้นมานะท่านก็สอนแบบให้ให้หวังโดยที่ไม่ต้องหวังเออบางทีสัมนวนก็แปลกแปล ก, ป น, ก น, นะหวังโดยที่ไม่ต้องหวังเพราะว่าความหวังเนี่ย บางครั้งมันก็หนีไม่พ้นเหมือนกันคนเราไปทําอะไรมันก็เหมือนกับว่าเออบางทีก็ต้องวางโครงการใช่ไหมหรือว่าก็คิดว่าน่าจะสําเร็จลุล่วงไปอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้อย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นเหมือนกับความหวังเหมือนกันแต่ทอ น, นี้จะเป็นความหวังยังไงอะที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะถ้าโดยกิเลสเรา ใครๆก็ต้องหวังสำเร็จทั้งนัน้มีใครหวังให้มันไม่สำเร็จั้มไม่มีอ่ะเราไปทำอะไรเราก็หวังว่าจะต้องให้สำเร็จนี่แหละที่เป็นตัวที่จะทำให้คนผิดหวังเพราะคนเราพอเวลาหวังอะไรเนี่ยหวังแต่มุมเดียวว่ามันจะต้องสำเร็จพั้นถ้าคนใดก็ตามพอไปทำอะไรแม้แต่บางทีมันถือศีลมาปฏิบัติทำก็ยังหวังไงนะ หวังว่าเราจะต้องทําได้เราจะต้องเป็นอย่างอย่างนี้เราก็กินมือเดียวให้ได้อเราจะถือศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลพระก็ตามาต้องทําให้ได้อย่างอย่างนี้คือคือพอหวังอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็หวังแต่ได้นี่แหละตราบใดที่ยังมีคําว่าหวังได้เนี่ยมันจะต้องเจอคําว่าผิดหวังอยู่ด้วยเพราะมันไม่ได้ทุกครั้ง บางครั้งมันไม่ได้มันไม่เป็นไปตัางใจแต่ตอนนี้เราหวังได้เอาไว้ไงเราไม่เคยหวังเสียก็บอกล้าไม่มีใครจะไปหวังให้มันเสียเพราะฉะนั้นทำทีไ ร, รก็ต้องหวังได้อย่างนั้นหวังว่าได้อย่างนี้เพราะันถ้าใครไม่ระวังจิตของตัวเองพอไปทำอะไรไว้มันทันทีเลยอัตโนมัติของความเคยชินว่ามันจะหวังได้เนี่ยเอาไว้ก่อน ไม่มีใครจะหวังให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมาเองเลยนะเพราะเราไปคุ้นเคยกับมันเราไปเคยชินกับมันบางทีแม้แต่จะกินอะไรเนี่ยอาจจะมามากินเอาร้านไหนก็ได้หรือว่ามากินที่วัดก็ได้หรอก็หวังอีกแล้วนะมันมันมาเองเลยหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวคงจะมีนั่นเดี๋ยวจะมีไอ้นี่เอาละบางทีพอมาถึงที่ร้านเนี่ยอา้าววันนี้โหขายดี ไอ้ดวง ก, ก็หมดไอ้ดีก็หมดชักผิดหวังแล้วเพราะอะไรเพราะมันหวังว่าแหมเรามานี่ร้านก็ยังมีของขายมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะให้เราเลือกแต่พอเรามาชักไม่มีอะไรให้เราเลือกเนี่ยอหละถ้าใครคาดหวังเอาไว้ว่าจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เริ่มจะผิดหวังเพราะความผิดหวังเกิดขึ้นมาจากความหวังว่าจะต้องได้อย่างนั้นจะต้องได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราทําอะไรแล้วอา้าว อาจจะต้องมีเป้าหมายอาจจะต้องมีวิธีการมีระบบมีระเบียบอะไรต่างๆแต่ถ้าไม่ได้สอนให้หวังได้โดยเฉพาะหวังได้แบบโลภมากซะด้วยนะไม่ใช่โลภน้อยๆหวังได้แบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหบางทีไม่ได้มองตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยขีดความสามารถบางทีไม่มีทางที่จะได้อย่างนั้นแต่ความอยากความปรารถนาของคนเราเนี่ย มันหวังว่าเราน่าจะได้อย่างนั้นน่าจะได้อย่างนี้โดยลืมดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้เพราะพอไปทำจริงๆเข้ามันก็ไม่ได้จริงๆเพราะนั้นพอไม่ได้เนี่ยที่หวังเอาไว้ไม่เป็นไปอย่างหวังก็ผิดหวังนั่นเองก็จะเศร้าโศกละหรือจะทุกข์ละจะเสียใจเพราะั้นประเด็นสาคัญที่สุดเนี่ย อยู่ที่นี่แหละอย่าไปหวังแต่ได้ถ่ายเดียวเพราะเวลาเขาคิดทำอะไรนี่เขาเลยต้องให้แบบว่ามองไว้ทั้งสองมุมอาจจะได้ก็ได้อาจจะเสียก็ได้เพราะคนที่เนี่ยคิดเผื่อไว้ทั้งสองด้านอย่างนี้แล้วคุณจะเจอมุมไหนคุณก็พอจะทําใจได้ละเพราะว่าเตรียมใจไว้แล้วส่วนคนที่หวังแต่ได้เนี่ยไม่เคยเตรียมใจว่า มันจะไม่ได้ไม่เคยเตรียมใจที่จะอะหดหรือว่าอดหรือว่าสูญเสียไม่เตรียมใจอันนี้ไว้เมื่อไม่เตรียมใจอันนี้ไว้ก็เลยทำให้พอเวลาต้องสูญเสียหรือว่าไม่ได้เนี่ยก็เลยผิดหวังแล้วก็จะเสียใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมถึงต้องสอนมรณานุสติอันนี้คือหัดให้มองในมุมที่ จะต้องสูญเสียไว้บ้างแล้วอาตมาถามพวกคุณในที่เนี้ตามสภาพความเป็นจริงเนี่ยในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยที่ใช้ชีวิตผ่านไปผ่านไปถามจริงๆฮะคุณเคยคิดถึงความแอบพัดผ้าความสูญเสียความอะไรเนี่ยคุณคิดสักกี่นาทีหรือว่าวันวันหนึ่งคิดบ้างหรือเปล่านี่คือความจริงใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากคิด อ, อ, อ่ะเพราะมันน่าเศร้า แค่คิดมันยังน่าเศร้าเลยก็เลยยิ่งไม่อยากคิดเอแต่ตอนนี้ในขณะที่เราเนี่ยก็ไม่คิดทําไมอะคิดอย่างงั้นแล้วมันน่าเศร้าก็เลยยิ่งไม่อยากคิดแต่ก็เลยเหลืออะไรอะคนนี้เพราอไอ้มุมที่จะต้องพัดพลาดมุมที่จะต้องสูญเสียไม่ยอมคิดเลยก็เลยเหลือมุมเดียวอีกแหละเหลือมุมเอาแต่ความสุขเอาแต่ได้มาเอาแต่สมหวังมันก็จะตองเหลืออยู่มุมเดียวอย่างนี้อีก มันย้อนกลับไปยังเก่าเพราะคนโลกโลกส่วนใหญ่นะถ้าไม่ฝึกปฏิบัติธรรมมาจะคิดแต่มุมเดียวคือคิดเอาแต่ได้ต้องฝึกมีสติแล้วรู้ตัวเนี่ยแหละถึงจะพยายามคิดมุมที่จะต้องสูญเสียขึ้นมาบ้างมันถึงจะมาทวงดุลมันถึงจะทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะเจอกับสถานการณ์ได้ก็ไม่มีปัญหาสูญเสีย ก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะนั้นสังเกตไหมศาสนาพุทธนี่ถึงได้ให้เห็นทุกข์ให้เห็นทุกข์เพราะความจริงใครอยากทุกข์มัางวันวันนึงให้คุณมันนึกเรื่องทุกข์ทุกข์คุณอยากนึกไหมไม่อยากหรอกมันก็อยากจะนึกแต่เรื่องสุขใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมากล่าว่าเอาตั้งแต่ตื่นเลยนะตื่นขึ้นมากาว่าโอ้ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะได้แหมเห็นไออะไรนะ กับข้าวเตรียมไว้แล้วหรือว่ามีคนมาปัดถูกเก็บกวาดท่ห้องนอนเราให้หรืออะไรเนี่ยเอาอะไรคิดมรรยาคิดแบบแบบอย่างที่บอกเนี่ยใครจะไปคิดว่าแม่ตื่นขึ้นมาก็ต้องทําเองนะต้องอะไรอ่ะไอ้นูนก็ต้องทําไอ้นี่ก็ต้องทําอะไรเพราะคิดแล้วมันเหนื่อยคิดแล้วมันทุกข์แม่เพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยตัดรอบพวกนี้หมดก็เลยจะเอาแต่คิดแต่สุขจนกระทั่งบางคน คิดหลอกตัวเองก็เอาอะ่ะทั้งที่จริงๆตัวเองไม่มีะนะไอสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีทีวีก็ไม่มีวิทยุอะไรก็ไม่มีแต่แต่แต่คิดเอาอะ่ะคิดแบบเพ้อเคิดแบบฝันฝันคิดแบบหลอกหลอกว่าแม้มีนะเคยเห็นมไหมบางคนนี่เขาหิวอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยจะมีอะไรกินเขาก็อะไรอะ่ะเอาจานเอาชามอะไรมานะกับข้าวจริงๆก็มีแบบคนจนๆนั่นนะ แต่บางคนเนะี่ยมันอยากมีความสุขอยากมีอาหารดีๆกินบางคนก็เอาไอ้พวกไอ้ไอ้ภาพโฆษณาบัาง่งอะไรบ้างเอามาติดเอามาวางไว้คือคือดูไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ปั่นจิตเอาหนะ้าเหมือนกับว่าตัวเองโอ้โหได้กินอะรอร่อยได้อะไรอุย้ยหลอกตัวเองอย่างงี้ก็เอาก็มีนะหรือบางคนนะ่ที่เห็นง่ายเห็นชัดที่พวก คลั่งดาราบัางชอบนักร้องบงั่งเอารูปมาติดแล้วก็โอ้ฝันหวานนะแหมกีการอยู่อย่างนั้นน่ะฝันโอ้ยติดคนสวยติดคนงามอะไรต่ออะไรฝันว่าเจอเจ อ, เจอบางทีนอนหลับก็ฝันถึงฝันหวานถึงอะไรอเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเป็นอย่างนี้แหละคนเราถึงจะต้องเจอกับความผิดหวังอยู่เรื่อย เพราะอะไรเพราะไปหวังแต่ได้ไปหวังแต่จะต้องมีจะต้องเป็นไอโนนไอหนี่อะไรเต็มไปหมดแล้วในความเป็นจริงอะคนเราในชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อะไรเยอะแยะหรอกแหมมันไม่มีลาบลอยอะไรต่ออะไรมาให้คุณมากมายนักหรอกแต่ไอสูญเสียสิแต่และ ว, วันเนี่ยมันชัดเจนเลยตื่นขึ้นมาคุณต้องกินคุณต้องใช้่ชไหมคุณจะต้องทํางานโอโ้โหคุณจะต้องเจอจริตนิสัยคนต่างๆนานา จริงๆไอ้สิ่งที่คุณจะต้องสูญเสียหรือได้ในสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยไม่สอบอารมณ์เรามันเยอะกว่านะไอ้ที่จะถูกใจคุณเนี่ยนี่คือสัจจะนี่คือความเป็นจริงของชีวิตคนเราจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่มองความจริงตามนี้ผู้เจ้าถึงได้สอนนะให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ให้เห็นทุกเนี่ยว่านี่คือความจริงนะว่าความเป็นจริงเนี่ยคนเราเจอสิ่งที่ผิดหวัง เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอคนที่นะ่าอาจจะไม่ค่อยถูกจริตเรานี่คือความจริงที่คุณจะเจอมากกว่ามากกว่าที่จะเจอคนที่อะไรอะ่ะแหมคุยกับเราก็โอ้โหอะไรไปด้วยกันได้เลยนะ เ, เป็นปีเป็นขุยอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่เลยเราจะเจอพวกนี้มันน้อยมากใช่ไห ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราไปเจอเนี่ยมันมั น, ม, นมันธรรมดาหรือว่าไอ้ที่จะไม่ถูกใจเรามันมากกว่านี่คือความเป็นจริงว่ามีแต่ศาสนาพุทธนี่เท่านั้นเพราะอยากให้คนพ้นทุกเนี่ยแหละถึงได้พยายามให้คนรู้ทุกไม่ได้ให้ไปรู้สุขให้คนรู้ทุกรู้ทุกตามความเป็นจริงแล้วพอรู้ทุกตามความเป็นจริงแล้วก็ให้พิจารณาด้วยใช่ไหมดูตั้งแต ต้นเหตุมันอะไรทําให้ทุกข์หรืออะไรทําให้เราผิดหวังตอนนี้ยคุณดูตามความเป็นจริงสิทั้งๆ ท, งที่บางทีความจริงเนี่ยไปผิดหวังอะไรบางเรื่องอะไรไม่ได้ใหญ่โตเลยเรื่องเล็กๆก็น้อยเนี่ยแหละแต่ไม่สมใจเราไม่ถูกใจเราจริงๆทุกเล็กๆก็น้อยเนี่ยพอพิจารณาไปถึงต้นเหตุมันถึงสาเหตุมันโธ่เอ้ยเรื่องจิบจอยจริงๆวางทุกนี้ไม่ยากเลยวางก็วางได้ไง่ายๆ แต่ไอความที่เราไปยึดเนี่ยแหละไอความที่เราเนี่ยไปฝันหวานกับมันมากนะไปหวังไปปรารถนามันมากนะตื่นมาทีไรทุกวันทุกวันก็คิดแต่จะอยากได้นี่อยากได้นี่อยากได้นี่โลภโมโทสันอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งต้องเอามามาให้ได้เพราะฉะนบางทีจะผิดหวังจะเสียใจหรือจะอะไรนี่จะทุจริตเน่ยหรือจะทําอะไรที่มันไม่ดี เร็วล้ายจะทําอ่ะขอให้เอามาให้ได้คราวนี้เลยยิ่งทำมันก็ยิ่งเร็วร้ายไปเรืเร่อยๆแล้วก็ยิ่งหนักขึ้นเพคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะหลงไปอย่างนี้แหละมันก็เลยไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เพรนวันวั น, ว น, นึงเนี่ยเมื่อต้องจะต้องเจอกับความผิดหวังหรือจะต้องเจอกับทุกข์มากมายแต่คนนี้ไม่รู้จักรู้ความจริง เพราะคนที่รู้ความจริงเท่านั้นถึงจะปรับปรับจิตปรับใจให้ยอมรับความเป็นจริงได้แล้วก็ให้อยู่กับความจริงโดยการที่มองความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ทําใจกับความเป็นจริงคนที่ยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ได้นะแล้วก็แก้ปรับมันถึงจะพ้นทุกข์ได้แต่ใครเนี่ยยิ่งไปหลอกตัวเองนะคุณไปอยู่กับเรื่องอะไรที่คุณยิ่งหลอกตัวเองหลอกตัวเองหลอกตัวเอง ยิ่งหนักข้อยิ่งหนักข้อมันก็ยิ่งห่างไกลาจากความเป็นจริงยิ่งห่างใจยิ่งห่างไกลาจากความเป็นจริงมากเท่าไหร่คนนั้นก็ยิ่งไม่มีทางเลยที่จะสมหวังเพราะมันยิ่งยิ่งห่างไปเรื่อยไอ้ความสําเร็จนั้นก็ยิ่งไกลออกไปไกลออกไปเพราะฉะนั้นคนนั้นจะยิ่งผิดหวังหนักข้อขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นี่อาตมาพูดกว้างๆให้เราเข้าใจสัจจะตรงนี้ก่อนพอเราเข้าใจสัจจะตรงนี้คราวนี้ แม้กับตัวตนบุคคลคุณดูนะคุณไปฝากความหวังไว้กับใครก็ตามบางทีอาตมาพูดบ่อยตรงนี้คุณฝากความหวังแค่ว่าเออคนเนี้ยเราเราเราชอบอะ่ะเรารู้สึกว่าสนิทใจกับเราดีเอา้านะถ้าเจอกันเนี่ยเราก็จะยิ้มแย้มเราก็จะทักทายกับเขาแล้วเป็นธรรมดาเมื่อเราไปฝากความหวังไว้เนี้ยถ้าเรายิ้มแย้มทักทายไปเราก็มักจะ หวังว่าเขาก็จะยิ้มแยม้มเขาก็จะทักทายตอบเรากลับมาเราทําดีกับเขาเขาก็จะต้องทําดีตอบเรากลับมานี้คือความหวังที่เริ่มหวังอีกแล้วนะแต่แต่มาถามตามความเป็นจริงคุณอะไม่ต้องคนอื่นหรอกกับเราเองเนี่ยแหละบางทีบางคนมาทักทายเราหรือยิ้มให้เราอะ่ะจริงไหมว่าคุณก็ทักทายแล้วคุณก็ยิ้มกลับให้ทุกทีไปอะ่ะ ไม่จริงอ่ะบางทีเราก็อยู่ในภพเรามั่งใช่ไหมบางทีไม่สนใจด้วยซ้ำไปจะไปยิ้มมาทักทายอ่านี่ขนาดกับเราเองเรายังเจอเลยบางทีเรายังมียังเป็นเลยถ้าคุณคิดได้ถึงสัจจะได้ถึงความเป็นจริงอันนี้คนอื่นก็เหมือนกันแหละเพราะโดยสัจจะแล้วเนี่ยไปฝากความหวังอย่างง้นอย่างนี้อะไรนะแล้วหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องอสนองตอบกลับมาอย่างนี้เนี่ย เอาอีกแล้วคุณเริ่มหวังรวมๆแรงๆไปอีกแล้วตามความอยากของใจเราแต่ไม่ใช่ความจริงความเป็นจริงมันอยู่ที่อารมณ์เขาอะใช่ไหมบางทีไปยังบะเหมาะแล้วก็เขาก็อารมณ์ดีเออมันก็ตอบกลับมาด้วยดีแต่บางทีเราไปยังบะผิดอย่างเงี้ยเขากําลังอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเขากำลังอารมณ์เสียเผล อ, ร เ, อรเราพูดดีๆไปบางทีเราโดนอะไร โดนลูกหลงเรียกว่าโดนลูกหลงกลับมาซะอีกโอ้โหพอผิดหวังป้าบบางทีเราพานโกรธเลยใช่ไหมคราวนี้เมือเราผิดหวังเนี่ยถ้าสายโทรศัพท์ก็โกรธเลยนะโอ้โหดูสิเราพูดดีๆทําไมกลับมาอะไรอะ่ะเราไม่ใช่แพ้รับบาปนะเอาอะไรมาโยนแมะให้เรามาพานใส่เราอย่างงี้อ่ะบางทีถ้าสายโทรศัพท์ก็จะหงุดหงิดเลยไม่ชอบใจเลยเพราะผิดหวังอะ่ะ แต่ถ้าเป็นสายลาคะพอเจอผิดหวังแบบนี้มาน้อยใจมาเสียใจบอกโอ้โหดูสิแหมเราอุตส่าห์ดีๆมานะเสร็จแล้วก็ดูสิมาแวดแหบนส่เราอย่างนี้น้อยใจเสียใจบางคนนู่นไปนอนร้องไห้หนุนเศร้าโศกว่าทำไมทำไมมาทอย่างนี้กับเราแล้วถ้าถ้ายังไม่รู้ความเป็นจริงนะเนี่ย มันผิดหวังเนี่ยคนที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยพอผิดหวังแล้วก็ปรับจิตแก้จิตไม่เป็นอีกนะก็ลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆก็คืออะไรคราวนี้ปรุงอยู่เลยนะคิดอยู่เลยนะจิตไม่รู้ล่ะคุณจะคิดเข้าข้างคุณยังไงก็แล้วแต่ปรุงไม่ใหญ่เลยถ้าสายน้อยใจกับปรุงใหญ่เลยนะแม้เราทําดีกับเขาอย่างงั้นอย่างนี้เมื่อวานนั้นมาเรื่องโน้นโอ้โหเรียกร้องอยู่เลยนะคราวนี้ใจเรียกร้องอยู่เลย ดูสิทำไมเขาไม่ทาดีกับเราบ้างโอ้โหคุณปรุงอยู่เลยแต่ปรุงไปทางเนี้ยปรุงไปทางยิ่งน้อยใจยิ่งเสียใจนจนกว่าจะเมื่อยอ่ะจนกว่าจะหมดแรงอ่ะแล้วก็หลับไปหลับหลับไปแล้วเดี๋ยวลืมๆไปบ้างก็เออเดี๋ยวข้อยังชั่วขึ้นบาหน่อยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่อีกยังหวังอีกนะแต่เดี๋ยวถ้าเจอกันใหม่แล้วเขาเกิดปรากฏว่าเขาอารมณ์ดีขึ้นเขาพูดดีๆกับเราอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยคลายหน่อย เพราะนั้นคราวนี้เนี่ยความสุขของคุณนี่นะมันอยู่ที่คนอื่นเขาเขาจมาพูดอย่างนี้บ่อยมากเลยอ่มันอยู่ที่คนอื่นน่ะว่าคนอื่นเขาดีมาหรือว่าเขาไม่ดีมาเขาดีมาคุณก็อารมณ์ด <Sign> ีเพราะสมหวังอเขาไม่ดีมาให้คุณคุณก็ผิดหวงังคุณก็อารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียเพราะนั้นคนนี้ไม่มีวันพ้นทุกข์เพราะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอยู่สภาพแวดล้อมไม่ดีก็ไม่ดี ไปอยู่สภาพแวดล้อมดีก็อารมณ์ดีมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข่าเดจะต้องหัดรู้ความจริงประเด็นสําคัญที่สุดคือต้องหัดรู้ความจริงตรงนี้ให้ได้พอรู้ความจริงตรงนี้ได้นะขั้นต่อไปคราวนี้บอกแล้วว่าที่เราเนี่ยมาผิดหวังมาอกหักอกพังเพราะว่าเราชอบที่จะหวังกับบุคคลก็ตามนะว่าเขาอย่างนั้นอย่างนีทง้ทั้งทั้งที่ความเป็นจริงอาตมาบอกแล้ว บางทีเนะี่ยบางคนนี่รู้จักกันมาเป็นสิบปียี่สิบปีแต่คุณไม่ใช่เขานะแลวยิ่งบางทีไม่ได้อยู่แบบบ้านเดียวกันไม่ได้สนิทกันถึงขั้นอะไรอะ่ะกินด้วยกันทำงานด้วยกันนะไปไหนด้วยกันอะไรโอ้โหคุณไม่ได้สนิทกันถึงขนาดรู้กันทุกอียาบทไม่ใช่อะ่ะ ขนาดฝาแฝดด้วยกันบางทีมันยังมีความแตกต่างเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเรามักจะเผลอใจเราตรงที่เราชอบคิดไว้แล้วว่าคนนี้เป็นอย่างนี้อ่าสมมุติค น, นนี้นิสัยอย่างนี้โอ้ค น, นนี้เขาใจดีอย่างงี้แล้วเราก็เราก็เลยยึดไว้อย่างนี้เลยนะยึดไว้ตายตัวเลยว่าคนนี้ต้องใจดีอะไรอะไรยังไงคนนี้ก็ต้องใจดีต้องใจดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ทั้งๆ ท, ที่จริ ง, รงๆเขาก็ใจดีแหละแต่ไอความใจดีของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาต้องยิ้มให้ทุกทีนี่อ้าวใจดีของเขาบางทีเขาเฉยๆก็ได้เขาไม่ยิ้มให้ก็ได้แต่พอเวลาเรามายึดนี่เราจะยึดอย่างที่บอกว่าเราจะยึดมุมเดียวตามที่เราอยากอยากจะให้เป็นคือเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วเราเร า, เราไม่ยอม เพราะนั้นคุณจำไว้เลยว่าคุณจะยึดมุมเดียวไม่ได้ใครก็ตามต่อให้คุณเคารพคุณศรัทธาสูงส่งแค่ไหนมายังเคยยกตัวอย่างว่าขนาดปัจฉาสมณะของพ่อท่านเนี่ยอาก็เคารพศรัทธาพ่อท่านนะว่าพ่อท่านเนี่ยโหท่านมีคุณธรรมท่านจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคือเราก็ยกให้อย่างสูงส่งแล้วพอเรายกให้อย่างเงี้ยเราก็บัคิดว่า พฤติกรรมของพ่อท่านก็จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่งี้คราวนี้เราคิดเองนะคราวนี้เป็นความคิดคุณเองนะแต่เราคิดคิดในมุมดีเนี่ยแหละคิดว่าเมื่อเมือม่อเมือ่อท่านเป็นอริยบุคคลนะท่านสูงส่งอย่างนี้เราก็คิดว่าท่านก็จะต้องแหมเมตตาแบบนี้ท่านก็จะต้องพูดเสียงแบบนี้ท่านก็จะต้องเนี่ยเี่ยตามความคิดคุณ ป่าชาสมณะก็สมณะเหอะโอ้โหกระเด็นกระดอนมีมาแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าพ่อท่านก็มาให้ฝึกซะหน่อยให้ฝึกซะหน่อยคือไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะถึงยกตัวอย่างมาบ่อยบางทีพ่อท่านก็อ่าลองของลองลูกศิษย์ทดสอบลูกศิษย์ดูซินะจะพ้นทุกข์หรือยัง โอ้โหปัจฉาสักสะเทือนอะไรก็ที่ชักสะเทือนแล่ะโอ้จริงๆเลยนะไม่ง่ายนะหรืออาตมาเองเคยเจอเองคือในในในพบของอาตมาก็คิดอย่างของอาตมาเหมือนกันนะเ <c oughs> พราเราก็ยกพ่อท่านไว้คือเราไม่คิดหรอกน้ะบางทีโอ้โหพ่อท่านจะแสดงอาการเหมือนแบบบางทีเหมือนกับเหมือนกับโกรธอย่างเงี้ยเหมือนกับโอ้โหว่าแรงแรงเราก็อู้อะไรอะ เรายังนึกว่าเราก็ยังไม่ทําอย่างนั้นเลยนะคือเราคือเรานึกแบบภาษาเราโอ้เราไม่ทําอย่างนั้นโอ้แล้วนี่พ่อท่านทําอย่างนั้นได้ยังไงอันเนี้ยแหละอาตมาถึงจะมาเข้าใจเรื่องของอจินไตมีอยู่ข้อนึงที่บอกว่าอะไรพุทธวิสัยของพระเจ้าเนี่ยคุณอย่าชนะคุณอย่าไปคาดดาวคุณอย่าไปคิดเอาอย่างที่ใจคุณคิดนะเพราะมันไม่ใช่อ่ะ คุณคิดนะคุณคิดตามใจของคุณตามอยากตามความปรารถนาของคุณแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธวิสัยอยิ่งระดับพระพุทธเจ้าบางทีคุณจะไปนึกถึงเหรอนางหรือเจ้าชายนันทะอย่างเงี้ยไปหลงเออแต่งงานกับนางชนบทกราานีเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ภาคมาเลยเนียโอ้โหเป็นอธิบดีมาไม่กล้าทำหรอกใช่ไหม พุ่มเจ้าเอาเลยเจ้แต่งงานยังไม่นันเข้าห้องหอเลยนะมาเลยจับให้มาบวชเลยแล้วไม่เพียงอย่างนั้นเอาพอบวชไปเสร็จเจ้าชายนันทะประบวชเป็นภิกษุแล้วเนี่ยยังไม่คิดถึงอีกใช่ไหมคิดถึงเสร็จเอาเลยพุ่มเจ้าเอาพาไปดูนางฟ้าเลยพาไปดูนางฟ้าถ้าเป็นเดี๋ยวนี้มีทีวีก็คือเปิดทีวีช่องที่มีนางฟ้าให้ดู โอ้โหเจ้าชายนะั้นเปิดให้ดูว่าเนี่นางฟ้างามยังไงนะนันทะพิกขุนี่ก็พ อ, อ, อเห็นเข้าไปโอ้โหงามอย่างนี้เลยผู้จ้าบอกเนี่ยถ้าปฏิบัติทำไปให้ดีนะบรรลุแล้วจะได้อย่างนี้นะโอ้โหเป็นอาตมาอาตมาไปไปเสนออย่างนี้ได้งไงเราคิดไปเสน อ, อยังมันจะผิดศีลทรมัคลเนีเอา้าแต่นี่นี่นี่ถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนี่มันเกินสภาพธรรมดาเราที่ เราจะไปคาดหวังหรือเราจะไปคิดได้เลยอย่างนี้แหละกระปากฏว่าเนี่ยเนี่ยก็รับรองกับท่านนันทะไปเลยว่าถ้าทําแล้วจะได้อย่างนี้แล้วใครไปกล้ารับรองอันนี้ภิกษุอื่นใครไปกล้ารับรองไม่มีใครกล้าไปรับรองอันเนี้ภิกษุอื่นว่าด้วยว่าเจ้าชายนันทะด้วยว่าเนี่ยให้พระพุทธเจ้ารับรองนี้ได้ยังไง มันเสียนี่อย่างนี้มันไม่ดีเนี่ยเห็นไ่มนี่นี่ย้เห็นใช่ไหมว่าภิกษุอื่นเนี่ยเห็นว่าไม่ดีเออคุณคิดดูเอาแต่ถ้าผู้เจ้าเห็นว่าไม่ดีผู้เจ้าท่านจะมารับรองนี้ทําไมอ่ะเนี่ยเพราะอาตมาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยมันหลายสิ่งหลายอย่างบางทีมันเกินคาดคิดของเราแต่เราเนี่ยมีนิสัยเสียตรงที่เรียกว่าเราชอบคาดคิดอะไรแล้วเราจะเอาแต่มุมที่เรา คิดว่ามันจะสมหวังหรือว่าจะได้มาเราชอบคาดหวังอยู่แต่อย่างนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยที่มันจะต้องสูญเสียหรือจะต้องพลาดพลากเราชอบไม่ยอมคิดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้คราวนี้กับตัวบุคคลวันคุณจะคิดแต่มุมเอาแต่สมว่าเคารพศรัทธาแล้ว มองแต่มุมดีเพียงมุมเดียวเลยนะบางคนก็บอกว่าเอ้าก็ถูกแล้วไงมองโลกในแง่ดีนันก็ใช่แต่อธิมาถามต่อบางคนมาพูดอย่างนี้นะอธิมาจะถามต่อถามว่าแล้วโลกนี่มันมีแต่ดีหรือเปล่าว่าโลกนี่มันมีแต่ดีไหมอันนั้นมันเป็นสัมนวนเขาบอกว่าให้มองโลกในแง่ดีใช่ไหมเป็นสัมนวนที่จริงสัมนวนเนี่ยมันหมายความว่ายังไง ให้มองโลกในแง่ดีเนี่ยเพราะโลกเนี่ยมันเลวมากคุณเข้าใจไหมโลกเนี่ยมันชั่วร้ายมันทุกข์มันอะไรเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแล้วคนดีกับคนเลวถามพวกคุณบ่อยคนดีกับคนเลวพวกไหนมากกันคนเลวมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเจอคนเลวคุณจะต้องเจออะไรที่ผิดหวังเนี่ยโอหังโกพังคุณจะต้องเจอเยอะกว่านี่คือความเป็นจริงก็เลยบอกว่ า, าพยายามให้คิดในมุมดี คิดในมุมดีในโลกเร็วๆแล้ายนี่แหละมันถึงจะได้สองมุมใช่ไหมเพราะคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายเนี่ย <c oughs> ก็ต้องหัดมองโลกในแง่ดีส่วนใครเนี่ยอาตมาว่ายังหาไม่ค่อยเจอนะใครที่จะมองโลกแง่ดีอย่างเดียวเลยนะหายากขนาดเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถามพวกคุณหน่อยเอะพอเวลาพูดว่าบางทีเ่สำนวนภาษาเราพูด คนข้างนอกข้างนอกอ่ะสํานวนเรายังพูดอย่างเงี้ยคนข้างนอกข้างนอกไงนะคือหมายถึงคนที่ไม่มาปฏิบัติธรรมเป็นยังไงเราว่าเขาอ่ะน่วนใจว่าไม่มีศีลว่าอุ้ยเลวว่อาอบายามุกทั้งนั้นส่วนใหญ่อ่ะถามคุณหน่อยอ่ะคุณมองดีหรือว่าไม่ดีคุณมองไม่ดีนะจิตไอ้อันนี้เรายังยังสะสมอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมเพราะฉันโดยกิเลสคนเราหรือโดยโดย ความรู้ทั่วๆวไปของเราเนี่ยนะพอเวลาเรามาปฏิบัติธรรมบางทีเวลาเรามองไอสิ่งที่เราเคยอยู่แล้วเราผ่านมาบางทีเรามองแต่งแง่ลบเลยโดยซ้ําไปวันเขาก็เลยให้มองแง่ดีขึ้นมาเพื่อที่จะทวงมันให้ให้ให้ให้จิตของเราเนี่ยมันมันมีทั้งสองมุมวันมองโลกเนี่ยจริงๆมันมันต้องมองทั้งสองด้านทำไมตะกี้อาจะมาบอกว่าทําไมพระเจ้าให้มามองทุก เพราะคนมันคิดแต่จะเอาแต่สุขจะเอาแต่สุขจะเอาแต่สุขพู้เจ้าเนี่ยก็เลยต้องเอาทุกมาแล้วความเป็นจริงนทุกมันมากกว่าด้วยใช่ไหมเพราะถ้าใครมองทุกได้ออกมองทุกได้ตามความเป็นจริงเนี่ยอริยสัจเนี่ยอริยสัจสี่ที่พระเจ้าท่านตรัสรู้มานี่ก็คือเนี่ยเห็นความเป็นจริงของทุกเนี่ยตามจริงๆของชีวิตคนเรารู้ระดับดับทุกพวกนี้ให้ได้ แล้วก็ถึงจะพบความสุขที่แท้จริง